ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุโนมาพบกับท่านบุฟังอยู่เป็นประจำในรายการธรรมนี้มาเพื่อที่จะบอกบอกคำสอนที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้เป็นการทำหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งเที่ยงไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดก็ตามความรู้ความสามารถในที่มี แต่ถ้าฟังฟังบางตอนบางเรื่องยังไม่เข้าใจมีโอกาสก็ไปฟังซ้ำโดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ต, ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารจนมาถึงวันพฤหัสบันสุขที่ได้พูดถึงเรื่องของไล่มาตั้งแต่การที่เราจะละบาปเป็นการสร้างบุญสร้างบุญได้แล้วก็อย่าเมาบุญอย่าหลงบุญ นั่คือบุญนี่บางคนสร้างมากๆากโดยการให้ทานนี่โหให้มากเลยแต่สุดท้ายหลงในบุญที่ตัวเองสร้างก็มีตัวอย่างนี้เราก็เคยเห็นบางคนเรียนมากรู้มากรู้หมดจบปีดอกแล้วก็หลงเมาในความเมาที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นพระหูสูตรเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วตัวอย่างของภิกษุ ท, ที่ชื่อกัปปิละที่เมา ในความเมาที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นผู้หูสุดก็มีศึกษาก็ตามเรียนก็ตามสร้างบุญสร้างกุศลก็ตามแต่อย่าให้เหมาอย่าให้หลงอย่าให้เพลินในสิ่งนั้นพระเราละบาปได้บุญสร้างบุญด้วยการให้ทานก็ตามละความตรหนีละบาปสร้างบุญด้วยการที่ละการทำความชั่วทางกายทางวาจาเป็นผู้รักษาศีลละบาปสร้างบุญด้วยการละความเห็นที่ผิด สร้างความเห็นที่ถูกให้เกิดขึ้นละบาปสร้างบุญอย่างนี้แล้วจนกระทั่งว่าเราไม่เอาทั้งบาปไม่เอาทั้งบุญนะบุญที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ลอยคืนให้สังสารวัตรด้วยเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีบุญมากมีบุญญาธิการมากมากจนขนาดที่เรียกว่าใครๆก็มาเพื่งได้แต่ก็ไม่เมาไม่หลงไม่เพลินไม่ยึดในบุญกุศลนั้น ก็ปล่อยแม้บุญกุศลเหล่านั้นให้อยู่ในสังสารวัตรตัวพระอคเองก็สบายละรอดดอกจากสังสารวัตรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆต้องฟังซ้ําทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นใหได้ไอการที่เราทําซ้ําๆทําให้เจริญทําซ้ําๆทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคือการทําให้เจริญการทําให้เจริญคือการทําบ่อยๆเอยวเรามาฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆ ครับาเจ้าจึงเอาเรื่องที่พื้นฐานที่หลวงพ่อสะอาดท่านได้สอนอไว้ในเรื่องการทําสมาธิไม้ตะมุฟังฟังด้วยไอ้พื้นฐานนี่แหละสําคัญเราคิดว่าเราฝึกปฏิบัติแล้วฝึกแล้วทําบ่อยบ่อยเบือ่อแตคนที่เขาเป็นมืออาชีพเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกทตะมุฟังอย่างเราไปถามคนที่เป็นมืออาชีพในเรื่องการทํางานก่อสร้างก็ได้คนที่สร้างตึกอย่างนี้ถ้าเขาเป็นมืออาชีพจริงๆเขาจะไม่เบื่อสิ่งที่เขาทํา เพราะเขาทำบ่อยจนกระทั่งเขาเก่งขึ้นมาเป็นมืออาชีพขึ้นมาคุณไปถามคนสร้างตึกเลยคุณสร้างตึกสิบชั้นสร้างตึกร้อยชั้นอ๋อเมื่อวานปีที่แล้วก็สร้างตึกปีนี้ให้สร้างตึกเหรอโอ้เบื่อเขาไม่พูดอย่างนั้นเลยยิ่งเขาสร้างมากเขายิ่งมีความชานาญมากนี่เขาจะมีความคิดอย่างนี้นะคนเป็นมืออาชีพคุณไปถามคนที่ขายขนมอ้าเขาทําขนมโอ้เมื่อวานก็ทําขนมวันนี้ก็ทําขนมอีกแล้วเบื่อเขาจะไม่มีความคิดอย่างนั้น เขายิ่งเมื่อวันทําวันนี้ทํายิ่งเก่งขึ้นยิ่งมีความฉลาดในสิ่งที่เขาทํามากขึ้นคุณไปถามนักเรียนที่เขาเรียนเก่งๆแต่เขาเรียนยังไงเขาจะไม่บอกว่าโอ้เมื่อวานนี้เรียนวันนี้ก็เรียนอย่างละเบื่อเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเลยเมื่อวานนี้เรียนวันนี้เรียนอีกยิ่งมีความรู้มากอีกวันต่อไปยิ่งต้องเรียนอีเรียนจนเป็นมืออาชีพจบ ด, ด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ะอะไรอย่างนี้ก็เห็นกันอยู่เป็นมืออาชีพถ้าเราไปหาหมอ หมอเหมืออชีพไปถามเขาว่าเขาทำยังไงว่ า, าวันเจอคนไข้วันนี้ก็เจอคนไข้อีกละเบื่อเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเลยในะยิ่งเขาเจอมากยิ่งมีประสบการณ์มากยิ่งทําความเข้าใจได้มากมีความฉลาดในเรื่องที่ทําได้มากทําจนเป็นวิชาชีพทําจนเป็นเรื่องมือโปรโทาจนเป็นสิ่งที่ทําอย่างจำนานนั่นคือการที่ทําให้เจริญเหมือนกันวันๆเรารักษาศีลวันนี้เราก็รักษาศีนอีกละโอเบื่อ โอคุณคิดไม่ถูกถ้าคิดอย่างนี้คิดไม่ถูกนะเมื่อนรักษาศีลวันนี้รักษาศีลเมื่มานนั่งสมาธิวันนี้เจริญภาวนา น, นั่งสมาธิแหมยิ่งเจริญยิ่งทําบ่อยยิ่งทําซ้ํายิ่งทําย้ําทําให้เจริญได้ทําบ่อยทําซ้ําทําย้ํานี่ต้องทําให้ถูกด้วยนะคือถ้าทําไม่ถูกมันยิ่งถอยนะแต่เราทําให้ถูกทําให้ถูกทํำยังไงนี่แหละคือประเด็นต้องละสิ่งที่เป็นอกุศล สิ่งใดที่เป็นของชั่วของผิดของไม่ดีเราละเลิกเพิกถอนซะเราไม่เอาซะสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลเน่ยเราสร้างทําสร้างทําแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางารู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วไม่ทําความรู้ความเข้าใจให้เกิดก็ไม่ได้จะรู้จักปล่อยรู้จักวางให้ถูกก็ต้องทําความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้เราทั้งปล่อย ทั้งเอาปล่อยนี้ปล่อยอะไรปล่อยนิ่วอนปล่อยความกินในทางกามปล่อยเจ้ามิจฉาทิฐิเอานี่เอาอะไรเอาสิ่งที่เป็นศีลสมาธิปัญญาเอาในที่นี้ก็หมายถึงกนนเกาะนั่นเองแต่คือศรณทนั่นเองเกาะคือศรณทเราละสิ่งที่เป็นอกุศลก็สิ่งที่เป็นกุศลใช้สิ่งที่เป็นกุศลเป็นศรัทธ มีศีลสมาธิปัญญามีพระพุทธพรธรรมประสงค์ให้มีทั้งความมักน้อยทั้งความสันโดษให้มีทั้งความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเอาละสิเอาละสิทั้งมักน้อยสันโดษด้วยทั้งไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอด้วยจเจ้ากันยังไงกันแน่สัปดาห์นี้มันยังไงกันแน่ทั้งละทั้งวางทั้งเอาทั้งเกาะ อ, อันนี้เราทําความเข้าใจไปละ และวางสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความชั่วความผิดเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นเกาะก็คือสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นบุญให้ทั้งมักน้อยให้ทั้งสันโดษให้ทั้งไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั่นคือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายนั่นคือลักษณะที่โผริิสัตว์อยู่ใต้โขดไมโพไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ในกุศลธรรมทั้งหลายคือสิ่งที่เราใช้เอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นเกาะ น, นั่นเองอย่าได้อิ่มอย่าได้พอในสิ่งนั้นในขณะเดียวกันก็ให้เป็นผู้ที่มีความมักน้อยมีความสันโดษในเรื่องมักน้อยสันโดสนี้ท่านพระอาจารย์มหาสุชาติจากแวบวรได้อธิบายไว้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ยกบาลีมาประกอบด้วยความมักน้อยความสันโดสนั้นมีความแตกต่างกันอยู่จะเป็นคำที่คล้ายๆกัน คือความสันโดษนั้นหมายถึงความที่เราพอใจในสิ่งที่มีพอใจยินดีในสิ่งที่มีพอใจยินดีในสิ่งที่ได้คือคุณไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยู่ก็จริงแต่คุณได้เท่าไหร่คุณก็ยินดีพอใจเท่านั้นนะซึ่งความหมายตรงนี้นะพอใช้เป็นภาษาไทยแล้วมันจะงงๆนิดหนึ่งแต่ให้ใช้ความหมายที่ถูกต้อง ต, ตามศั์รากศั์ภาษาบาลีเดิมคือเป็นผู้ที่ยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีในขณะเดียวกัน อย่ารู้จักอิ่มอย่ารู้จักปอแต่ได้เท่าไหร่ให้พอใจยินดีตรงนี้คือความสันโดษส่วนความมักน้อยนั้นก็คือการ prayer, ที่ให้เรามีโฟกัสมีการเพ่งความสนใจไปในสิ่งที่เราทำได้ที่เราอยู่ต่อหน้าเราทำได้นั่นคือการเพ่งความสนใจไปในงานที่เราทำได้อย่าไปเพ่งความสนใจในสิ่งที่เราทำไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังไม่ใช่ตรงนั้นนั่นคือความมากๆแต่เรามักน้อยคือการเพ่งความสนใจมาในงานในสิ่งที่เราทาได้อยู่เฉพาะหน้า จะเป็นตัวที่ห้ามบาปกุศลธรรมไม่ให้เกิดกันได้ให้เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายด้วยพระพุทธเจ้าสอนไว้ตอนที่เป็นโพธิสัตว์ให้เป็นผู้ที่มีความมักน้อยมีความสันโดษในข้อปฏิบัติของเราด้วยนี่มันจะงดงามมากท่านฝั่งแะสองอย่างตรงกันข้ามกันเหมือนตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงแต่มาอยู่ข้างๆกันได้อยู่ในจิตของเราได้ ปฏิบัติไปด้วยกันได้ถ้าไม่เข้าใจนะไปฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ทั้งสัปดาห์เลยจะดีมากแล้วทำไปถึงเมื่อไร่เมื่อไร่จะพอเมื่อไรจะเลิกได้เมื่อไร่จะเป็นสัญญาณในการเลิกทำสิ่งนี้ชาวนาเวลาเขาทำนาเนี่ยนะเขาหวานข้าวเขา เ, าเตรียมดินเขาหวานข้าวดำนาเขาดูเก็บเกี่ยวสัญญาในการที่บ่งบอกว่าปีนี้ เลิกทำนาแล้วจบแล้วนาปีนี้จบคือเขาจะต้องเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ทําการเขาเรียกว่าตีข้าวจนกระทั่งออกมาเป็นข้าวสารเก็บเป็นข้าวสารแล้วบางส่วนเอามาโคลกเอามาสีให้เป็นข้าวสวยนที่สามารถกินไดต้ตรงนั้นคือสัญญาณในการเลิกทํานาของเขาจบสัญญาณในการที่เราจะเลิกทําตรงนี้คือนิพพานท่านผู้ฟังพระรูปช่างบอกว่าการทํานาของพระองค์ ก็คือเปรียบการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการทำนาเหมือนชาวนาที่เขามีการเก็บเกี่ยวการที่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นข้าวมาแล้วเนี่ยเป็นเมล็ดข้าวสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นการเลิกทำนาครับเหมือนกันเราได้นิพพานตรงนั้นคือเป็นกำหนดการเลิกการปฏิบัติของเราตอนนี้เราทำนาเราสร้างผลิตผลในใจของเราแต่โดยการใช้สติบ้างโดยการใช้ปัญญาบ้างและโดยการใช้ใจ ใช้การสมรุมอินทรีย์ใช้การรูปประมาณในการบริโภคใช้การรักษาศีล น, นะเป็นกระบวนการในการปฏิบัติของเรานะละสิ่งที่เป็นอกุศลเจริญสิ่งที่เป็นกุศลเป็นกระบวนการในการปฏิบัติของเราทำไปทำไปทำไปทำไปเดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวเราดูแลน้ำให้ดีเราก็จะได้ผลิตผลออกมาเราละบาปเราสร้างบุญเราละสิ่งที่เป็นอกุศลเราเกาะเราเอา เอาสิ่งที่เป็นกุศลเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอในเรื่องกุศลธรรมในการสร้างกุศลธรรมให้เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษในกระบวนการการทําของเราเราจะไปข้างหน้าได้เราก็ต้องปล่อยสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องไปก้าวลงในสิ่งที่อยู่ข้างหน้ากระบวนการตรนี้เป็นเส้นทางทําไปเมื่อไหรล่ล่ะถึงจะถึงฝั่งสติเราจะรู้ได้ไงว่าเราถึงฝั่งถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งนี้ จอธิบายให้แต่ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติแบบนี้นะท่านผู้ฟังมันจะทำสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นในจิตคือเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตจะไม่มามีอำนาจเหนือได้เมื่อเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตไม่มีอำนาจเหนือเราได้นั่นคือการที่เรามีการหลุดพ้นเป็นการๆนวิมุตแล้วนะนะหลุดออกหลุดออกจากไหนหลุดออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลหลุดออกจากสิ่งที่ไม่ดี หล อ, อ, อกจากอำนาจของจิตจิตนี่แหละบางทีมันไม่ดีจิตเนี่แหละบางทีมันหลอกเราเพราะอะไรเพราะว่ามันไหลไปตามภาษะได้มีภาษะมากระทบจิตก็ไปรับรู้อ่าบางทีมันไหลไปตามแหมบางทีเร า, าเราฝึกมาดีเอ๊ะแต่ก็ยังมีคิดบ้าบอฟุ้งซ่านแหมบางทีเราจิตเราฝึกมาดีแล้วแล้วเราคิดว่าเราทําดีแล้วเจอภาษะที่ไม่น่าพอใจมากๆเลยแล้วก็ หลงไปไปเหมือนกันแฮแต่เราจึงต้องเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิตอย่าให้จิตมีอานาจเหนือเราการที่เรามีอำนาจเหนือจิตตรงนี้คือเราเข้าถึงวิมุตต์ระดับหนึ่งเรามีนิพพานเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่เราดับแล้วดับเยียนจากอะไรดับเยียนจากสิ่งที่เราผ่านมาแล้วนั่นแหละแต่ตรงนี้ก็นิพพานก็เกิดแล้ววิมุตต์ก็เกิดตรงนั้นแตวิชาคือความรู้ก็เกิดขึ้นตรงนั้นแต่แค่เราละบาปเราสร้างบุญ เราเป็นผู้ที่ละสิ่งที่เป็นอกุศลเจริญสิ่งที่เป็นกุศลเราเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความสันโดษมีความมักน้อยในกระบวนการการปฏิบัติของเรานิพพานเกิดนวินาทีนั้นวิมุตติเกิดนวินาทีนั้นนิพพานเกิดนาวินาทีนั้นนั้นเกิดขึ้นในใจของเรานี่เองและเมื่อเราพอมีอํานาจเหนือจิตไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าเฮ e, ้เรากับจิตนี่ มันเป็นตัวกันแล้วเราคืออะไรละ่ะแล้วจิตมันคืออะไรละ่ะแล้วเราจะเห็นว่าจิตนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งไม่ใช่ตัวเราแต่เราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราแล้วแเรานี่มันคือใครแล้วเราเห็นตรงนี้คือจะสามารถที่จะวางแม้ความยึดถือในจิตนั้นได้แต่ตอนนี้ไอ้ที่เราบอกว่าเออเรามีอำนาจเหนือจิตจิตไม่มีอำนาจเหนือเราไอ้คำว่าเรากับคำว่าจิตเนี่ยจริงจริมันอันเดียวกันเราถูกความยึดถือเชื่อมกันอยู่ เราถูกความยึดถือทําให้ยึดไว้จิตนั้นเป็นของเราอยู่ความยึดถือที่ทําให้จิตนั้นเป็นของเราเราจึงไปทุกข์ตามที่จิตมันไปรับรู้ในความทุกข์จิตไปรับรู้ในความทุกข์อะไรอะไรอะไรอะไรแล้วเราก็รู้สึกทุกข์สุขไปตามความทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความที่จิตก็ไปรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเห็นได้ว่าเอ๊ะจิตกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้เรามีอำนาจเหนือจิตจิตไม่มาเมียมนาจเหนือได้ การที่เราฝึกให้ม ok ีอำนาจเหนือจิตการที่ฝึกไม่ให้จิตมีอำนาจเหนืออันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราต้องทำนทางการที่เราฝึกให้มีอำนาจเหนือจิตเพื่อที่เราจะได้เห็นตามจริงได้ฝึกการฝึกตรงนี้เป็นการฝึกทุกขั้นตอนแล้วที่ว่าทําให้เราเรียกว่าแยกตัวเราออกจากจิตจิตกับเราไก่คนละกันการที่ฝึกตรงนี้ให้เห็นถึงความเป็นอันตตาเราจะฝึกการเห็นความเป็นอัตตาอยู่เป็นประจําอยู่ล้ กระบวนการนี้เราจะแยกออกแยกออกแต่ไอาที่เราแยกออกเราคิดว่ า, าแยกออกแล้วจริงๆแต่มันยังไม่หรอกเพราะว่าเรายังมีตันหายอยู่มันก็จะติดตึบอยู่ในระดับในระดับหนึ่งที่เราไม่ทันมันที่เรามีสติไม่ทันมันแต่แต่ถ้าเราทําไปทําไปตรงนี้ทําไปทําไปตรงนี้นั้วเราจะสามารถแยกได้ตรงนั้นแหละเมื่อเราเห็นจิตว่าเอ้ยจิตนี่เองที่มันหลอกเราให้เราไปยึดถืออยู่นั้วเราถูกจิตหลอกเหมือนการที่คนตาบอดมันต้องการผ้าขาวเนื้อดี เนื้อสะอาดเนื้อดีเป็นของดีปรากฏมีคนหนึ่งก็เอาผ้าเปื้อนขม่าวเนื้อก็แย่มาหลอกว่านี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีเขาก็ไปหลงห่มหลงเอาไปโชว์คนอื่นว่านี่ดูสิจะมีผ้าขาวเนื้อดีดูสิจะมีผ้าขาวเนื้อดีแต่ตัวเองตามบอดแล้วก็เอาผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขม่าวไปโชว์เขาแต่แต่พอเมื่อไหร่คุณมีตาดีเกิดขึ้นมาเห็นว่าอ้าวนี่มันผ้าขาวเนื้อเหลวเปื้อนขม่านี่นาก็จะทิ้งมันทันที เหมือนกันเราคิดว่าจิตนี้เป็นของเราจิตนี้ดีจิตสจิตประพัดสอนจิตดีจิตอ่าชั้นดีชั้นไปนั่งสมาธิแล้วจิตชันสว่างสวัยชั้นดีโถเอ้ยระวังให้ดีจะถูกจิตหลอกถ้าเราปฏิบัติให้ดีดีนี่หมายถึงว่าคุณมีอำนาจเหนือจิตไอ้คุณหรือว่าตัวเราที่บ่าเรามีอำนาจเหนือจิตเราจึงต้องทําความเข้าใจให้ได้นะยังไงเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจให้ได้ ถ้าไม่เข้าใจต้องทําให้เข้าใจให้ได้ว่าไอ้จิตนั้มันไม่ใช่ของเราเราจะฉลาดขึ้นมาตรงนี้เราจะมีตาคือธรรมะได้เราจะมีตาคือธรรมะได้แต่คือถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็เหมือนคนที่ยังตาบอดอยู่เนี่ยนะแล้วเขาก็ได้ผ้ามาผืนหนึ่งคิดว่านี่เป็นผ้าเนื้อดีแต่จริงๆเป็นผ้าเนื้อเลวแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจก็เห ม, ม, มือนเรายังไม่มีธรรมะจักสุเกิดขึ้นเห็นว่าไอ้จิตนี้ จิตนี้ของดีนาะมันไม่ใช่ว่าไม่น่าจะดีแต่ถ้าคุณมีธรรมะจากสุขขึ้นเมื่อไหร่อ้าวจิตมันรลอกเรานี่เราจะเข้าใจตรงนี้ทันทีแล้วทํายังไงอ่ะพอเข้าใจแล้วคนตาบอดเขาทายัางไงพอเขาตาดีแล้วพอมีคนเขาจ้างหมอมาเอายามาใส่นะจนกระทั่งตานี้หายบอดขึ้นมาดีขึ้นมาอ้าวนี่มันผ่าเนื้อเลวเปื้อนเขมานี่ก็ทิ้งซะไม่เอา น, นจุดวินาทีที่เราอ้าวนี่มันผ้าเนื้อเลวเปื้อนเขมาเราทิ้งซะ เมืนการที่นัจุดวินาทีที่เรามีอำนาจเหนือจิจจตจนกระทั่งเห็นว่าจิตอ้าวนี่จิตมันหลอกเรานี่จิตไม่ใช่ของเรานี่มันหลอกให้เราไปยึดถือว่านี่เป็นตัวตนทิ้งซะนั่นแหละนั่นแหละคือจุดที่เราจะละทั้งาบาปลอยทั้งบุญข้ามโอกาสได้ไม่พักไม่เพียรข้ามวัฏฏะสงสารได้ตรงนั้นคือนิพพา น, นันเป็นที่สุดจบเหมือนชาวนาะเก็บเกี่ยวแล้วแต่เป็นจุดที่ จบละของการทำนาตรงนี้คือจุดจบคือ น, นิพพานใหญ่ น, นั่นเองคือ น, นิพพานที่เป็นจุดจบแต่ว่าไอ้เจ้ากระบวนการทั้งทั้งหมดเนี่ยนิพพานคือความดับเย็นของสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดจนกระทั่งระวางหมดทุกอย่างจนกระทั่งวิชาวิมุตต์ตรงนั้นเกิดขึ้นเรารู้ถึงความที่จิตนั้นไม่ใช่ตัวตนรู้ถึงความที่แม้วิญญาณคือจิตนั้นก็เป็นสิ่งที่หลอกลวงมีธรรมชาติปเปลี่ยนแปลงหลอกลวงเป็นธรรมดา เราจะมีความเข้าใจว่านานจริงเนอนานเป็นเวลานา น, านมากแล้วที่เราถูกนิจจินี้หลอกถูกจิตนี้โคดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลื้นปลอกจึงทําให้เรานั้นเข้าไปยึดถือในรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรที่เข้าไปยึดถือในรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรจำบุฟังว่พาสภาภาสนั้นแหละคือสัตว์ต น, นเอง สิ่งที่จะเข้าไปก้าวลงในรูปเป็นนาสัญญาสังขารได้นั่นคือวิญญาณาอาการที่วิญญาณมายึดเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยึดถือเข้าเป็นตัวตนนั่นคือสัตว์สัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงสัตวะอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสังสารวัตนี้ประมีความยึดถือในการตั้งหาหนั่นเองและถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําความเข้าใจในเรื่องของจิตว่าอ๋อเราถูกจิตหลอกได้เข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราทําความเข้าใจตรงนี้ได้ แล้วก็มีธรรมจักสุเกิดขึ้นการมีธรรมจักสุนี้นั่นคือหมายว่าเห็นความจริงละในระดับหนึ่งนี้ก็เป็นโสดาบันเห็นแล้วทําได้ด้วยนั่นก็จะเป็นเข้าขั้นถึงความเป็นพระอารานันเพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าเคยบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่เอาอะไรนั่นคือไม่เอาตรงนี้นั่นคือให้ถึงจุดนี้นห้นถึงจุดนี้ก็คือชี้ว่าไม่เอาอะไรไม่เอาหมดทุกอย่างรูปปีตนาสัญ ญ, ญาสังขารมิญญาไม่เอาแต่ก่อนมาหน้านั้นคุณต้องเอาสิ่งที่เป็นกุศลนะ ต้องเอาสิ่งที่เป็นกุศลเป็นที่พึ่งต้องเกาะสิ่งที่เป็นกุศลต้องละด้วยนะไม่ใช่แต่จะเอาจะเกาะจะพึ่งอย่างเดียวแนะเราก็ต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลเพิกถอนสิ่งที่เป็นอกุศลปลกนิวรความคิดทางการมิจฉาทิฏฐิเอาออกซะนะเราจะทําให้ถึงจุดที่เรียกว่าไม่เอาอะไรได้ทําให้ถึงจุดที่เรียกว่าเห็นจิตที่เราคิดว่ามันดีมันประเสริฐเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นธรรมดา ถ้าท่านฟังไม่เข้าใจก็อาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าอาจจะความสามารถไม่ถึงอธิบายท่านผูฟังเข้าใจไม่ได้ท่านฟังก็ต้องไปฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจนะ์กลับไปหาครูที่ที่เก่งกว่าฉลาดกว่าแตนะ่พุทธพจน์ที่เอามาประกอบกันในที่นี้นะไว้ครั้งหนึ่งนะนั่นะนะคือเรื่องของตอนที่พระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไมโพบอกถึงความที่ตัวพระรงองค์เองนั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับจากการทำความเปลี่ยน พุทธพจน์ที่ยกมาคือจุดที่คุยกับเทวดาในสังยุตตานิกายเทวตาสังยุตในพระสูตรที่ชื่อว่าโอค่าตารณสูตร่พูดถึงการที่มีเทวดามาถามว่าทํายังไงถึงจะข้ามห้วงน้ําข้ามโอค่าได้พรุทธเจ้าก็พูดถึงคนที่ไม่พักไม่เพีย น, นข้ามโอกาสได้แล้วพุทธพจน์ที่ยกมาในที่นี้ก็คือการที่ให้มีตนเป็นเกาะมีธรรมเป็นเกาะ เกาะในที่นี้ก็คือที่พึ่งแต่ต้องเกาะเอาไว้ต้องเอาเป็นที่พึ่งเอาไว้คุณลิปดัที่ยกมาในที่นี้คือการที่ให้ละสิ่งที่เป็นอกุศลในเรื่องของละมิจฉาสังปะเจริญสัมมาสังปะเป็นต้นคุณลิปดัที่ยกมาในที่นี้คือเรื่องของสัมมาวายามะเห็นได้ชัดเจนเป็นสิ่งที่ละอกุศลให้เจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ ถ้าเราฟังใกล้ครวนพุทธพจน์บทนี้เรายังไม่เข้าใจนะแสดงว่าเรายังถูกอวิชชาบังอยู่ถูกอวิชชาบังอยู่ถูกตันหายึดเอาไว้เอาเราจะทำยังไงดีก็นี่แหละถ้าคุณออมาใกล้ครวนบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆทำซ้ำทำย้ำทำให้เจริญเราจะเปิดเปิดอวิชชาออกได้เห็นตัวมันแจ้งแจ้งจ ะ, จะซะแล้วละมันซะเห็นตัววิชาแจ้งแจ้งจะจะละมันซะ ทำไงอ่ะต้องมีสติไงแะมีสติทําตามกระบวนการนี้ทําตามกระบวนการไหนทําตามกระบวนการที่เรียกว่าอริยามรรคมีองค์แปดแต่ให้มากทําให้เจริญเราจะเปิดเจ้าอวิชชาได้เห็นตัวมันแจ้งแจ้งจะจะแล้วฟันมันซะตัดมันให้ขาดด้วยปัญญาขุดมันให้ถึงรากขุดรากมันออกมาสับให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทําให้เป็นซี่ก แล้วพึงให้แห้งในลมและแดดแล้วก็เผามันซะเผาเสร็จแล้วบดให้เป็นขี้เท่าให้เป็นผงละเอียดแล้วลอยมันไปลอยไปให้หมดลอยไปตามกระแสน้ำก็ได้ปล่อยให้พัดไปตามลมก็ได้อาวิชามันจะค่อยดับไปเอาคุดอีกทำอีกทำาอาวิชาให้มันปรากฏขึ้นมาอีกพิจารณาอีกเกาะอีกละอีกพึ่งอีกเลิกอีกให้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ให้สันโดดให้มักน้อยอีกเจออวิชาอีกเอามันมาสับมันให้เป็นชิ้นๆเผามันให้ไหม์โบดให้มันไม่เหลือรอยมันอีกเมื่อวานนี้ทำแล้ววันนี้ทำอีกตอนเช้าทำแล้วตอนเที่ยงทำอีกขุดมันออกมาเห็นมันที่ไหนจับมันเอาไว้ฟันมันให้เหลือสับมันให้หยับเผามันให้ไหม้เกียมขยี้มันให้เป็นผุยผง แล้วลอยมันไปอย่าให้เหลือเยื่อใหญ่คือเจอมันที่ไหนจัด ก, การมันที่นั่นแล้วเราจะเจอมันได้ยังไงถ้าน้ําท่วมอยู่นั่นระวังเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามีตอมีหลักอะไรตรงไห น, นเราทําน้ําให้ลดซะเราละบาปเราซะเราละสิ่งที่เป็นความชั่วความผิดซะไอ้สิ่งที่เป็นความดีความงามปรากฏขึ้นมาเราจะเริ่มหเห็นได้ว่าไอ้ความไม่ดีมันอยู่ตรงไห น, นแล้วเราก็ละมันซะลาตรงนั้นซะฟันมันให้ยับสับมันให้ไม่เหลือ ขยีมันให้เป็นปุ๋ยผงเผามันให้ไหมเกลียมลอยมันไปละไปสร้างไปทำความรู้ให้เกิดขึ้นในจิตของเราอย่าไปเครียดกระตันฝังอย่าไปเครียดกรับทำใจให้สบายแต่กระบวนการนี้บางทีมันต้องมีการบังคับบ้างมันต้องมีการฝืนบ้างเราทำไปทำไปให้เหมือนมืออาชีพเขาทำงานทำไปให้เหมือนคนที่เขายินดีพอใจในงานที่เขาทาให้ระลึกไว้เสมอตมฝัง ให้ระลึกไว้เสมอว่าจิตไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ตัวตนเราอย่าถูกจิตหลอกให้เราเป็นผู้น่มีอำนาจเหนือจิตอย่าให้จิตมามีอำนาจเหนือได้จำคำนี้ไว้เลยนะท่านผู้ฟังจำคำนี้ไ้เลยอย่าให้จิตหลอกถ้าเราถูกจิตหลอกแล้วทุกอย่างหลอกหมดเพราะจิตนั่นแหละเป็นตัวที่ไปรับรู้ทุกอย่างถ้าเราถูกจิตหลอกเราจะถูกทุกอย่างหลอกหมดถ้าเราฉลาดในวาระจิตของเราให้มีอำนาจเหนือจิต เราจะไม่ถูกจิตหลอกได้เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิตเราจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยหลอกหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นของหลอกก็ได้ถ้าเราถูกจิตของเราหลอกอยู่ถ้าเราถูกจิตของเราหลอกอยู่สัจจะความรู้อะไรที่เข้ามาเป็นของหลอกทั้งสิน้นถ้าเราไม่ถูกจิตของเราหลอกอยู่ความรู้สิ่งที่ชั่วร้ายแค่ไหนเข้ามาก็จะหลอกเราไม่ได้กันเทศตอนนี้ชื่อว่าไม่ตกอยู่ในอำนาจของจิต ทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้